มนุษย์ผิดมนาสมาร์ทอย่างนี้ไรค่าคำอะไรค่าคือเขาเมินเขาไม่อยากได้เป็นผัวเขาไม่อยากได้เป็นลูกเขาไม่อยากได้เป็นเพื่อนสมาร์ทที่ไรค่าอันสตรีไม่มีศีลก็สินส้นสวยบรุษด้วยไม่มีศีลก็สินส้นสีสมณะสง์ไม่มีศีลก็สินส้นดีพระเนรนี่ถึงจะโกนผมห่มเหลืองถ้าไม่มีศีลนี่สิ้นดีที่จะนับถือเลยยมนับถือลงไหม ถ้าเห็นพระไปกินเหล้าอารวาสเดินตโตเตถือมีดเดินเป๋ไปเป๋มาอยู่ถ น, นนในบ้านเตอหายมากบางไรไงลงมากกังหัวจักกูบอนี่เราเว้ยพระเสือว่ะจังแม่งเขาเกิขี้เดียดพระเสือสิโดนสากเขานะ่ะนะพระเสือสิโดนคขอนเขานั่นแหละสมณะสง์ไม่มีศีลก็สินส้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวซาม ท, ทั้งที่การเป็นข้าราชการนั้นเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความรู้มีศักยภาพระดับหนึ่งแล้วและได้รับเกียรติดูแลประเทศในงานหน้าที่ในตำแหน่งของตัวเองทำงานแทนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินไม่สามารถที่จะบริหารแผ่นดินด้วยพระองค์เองได้ข้าราชการจึงแปลว่าผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ข้าแปลว่าผู้รับใช้ราชาลหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินราชาราชาการะแปลหมายถึงการกระทําบุคคลที่ทํางานแทนพระเจ้าแผ่นดินดูแลประเทศแทนพระเจ้าแผ่นดินคนนั้นทํางานนั่นแทนคนนั้นสอนหนังสือเพราะพระเจ้าแผ่นดินอยากให้คนไทยอ่านได้เขียนเป็นก็มีคนมาช่วยทํางานให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินอยากจะให้บ้านเมืองสงบสุข ตำรวจเขก็ทำหน้าที่แทนพระเจ้าแผ่นดินคอยำกำจัดทุกบำรุงสุขแต่ถ้าตำรวจคนไหนไม่ได้กำจัดทุกขแต่ก่อทุกให้ประชาชนนั่นคือผู้ทรยศต่อการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฉะนั้นตำรวจต้องเป็นมิตรของประชาชนมิตรนั้นต้องพึ่งได้เพื่อนทุกขประชาชนทุกตำรวจก็พลอยทุกใจประชาชนอยู่สงบประชาชนก็ตำรวจก็ นอนหลับตาสบายนี่ประชาชนาตำรวจคือมิตรของประชาชนตำรวจคือผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ของประชาชนตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษพิทักษ์สันติแปล ว, ว่าความสงบสุขราษนั้นหมายถึงประชาชนผู้ทำหน้าที่รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองสำคัญมากเลย ใครที่ได้ทางานในหน้าที่เป็นข้าราชการฝ่ายตำรวจควรจะภูมิใจพระเจ้าแผ่นดินนั้นฝากความสงบสุขของบ้านเมืองไว้กับตำรวจแต่ถ้าตำรวจไม่รักเกียรติตัวเองไม่รักเกียรติในตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามหมายความว่าเป็นข้าราชการเลวๆ เ, เป็นข้าราชการที่เลวสามไม่พักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่พักดีต่อตาแหน่งตัวเองที่มีเกียรติ เป็นถึงคนรับใช้พระเจ้าแผ่นดินแต่มีตามาไม่มีความรู้เขาก็ไม่ได้เอาไปเป็นข้าราชการแต่ข้าราชการนั้นมีเกียรติเหลือเกินเขาคัดแล้วเขาร่อนแล้วเขาสกรีนแล้วต้องมีแก่ใจฉะนั้นจะทุกจะยากจะลาบากก็เป็นงานมีเกียรติทำเพื่อแผ่นดินยุคนี้ยุคปฏิรูปเขาต้องการแก้ไขอะไรที่มันเละเทะในสังคมต้องเหนื่อยกันหน่อย ผาตัดมันต้องเสียเลือดเสียเนือ้อพ่าตัดมันต้องใช้เวลามากพ่าตัดมันต้องเสียเงินเสียทองเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ยินครูก็บ่นกันเยอะว่างานมันเยอะตำรวจก็ว่างานเยอะผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ว่าประชุมบ่อยงานมันเยอะก็ประเทศมันอิรุ่ยชุยแฉกมานานแล้วเราจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกเหนื่อยกันทั้งนั้นแหละนายกก็ยิ่งจะเหนื่อยเปลวซาม ฉะนั้นข้าราชการคนไหนไม่มีศีลเลวแน่แหละเรานับถือไม่ลงหรอกพระรูปไหนไม่มีศีลก็ไม่มีความเป็นสมณะสารูปเราก็นับถือไม่สนิทใจหรอกพ่อแมรพ่นองฟังล่ําเคยทนสอดแจงเนาะอาตมาเว่าเรื่อยเพาะของจริงที่พี่นองเห็นกันโปเบาวคุยผู้สาวอยู่ดึกอยู่ดืนคุยจนบางเถ้อพอ่อเมรสินอนกับบัวใดนอน พอมลัยทางอ้อมแงยั่งบลงจากบ้านอยู่เมื่อนีฟังพระดึกๆึกบึงกระทนนอนแงบะมวนคือคุยเสกคุยสาวดอกเบาปานผู้เทศเคยคุยอัตมาบอกเคยดอกยมหูจากว่าอัตมานั่นอยู่วัดมาตั้งแต่สั่นปสองเป็นเด็กวัดจบปสีกระบวดเน่นโหลดแปดปีอายุถึงพระกระบวดพระโหลดเน่นแปดปีพระสามสิบเอ็ดสาสิบสองปี โยบันนอกขี่ทุกขี่ยากบ่เคยได้นงกางเกงขาเหย้าแล้วเด็กหน่อยเสียงนงยังไดกางเกงขาเหย้ามาบวชก่อนอแต่กับพ่อโโหอยู่ปูบาบางคนก็เป้าแค้นลันเจนลนเจนเลาะบานชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้ยมาขึ้นบ่ได้นอนปู้บาก็มาห า, หาหลูกสาวอยู่เฮื่อน ค, นนนอคยอยุ้้้้้้บบ้นน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้ ฟ้ากันเขาฟังเทศเก่งปั่นนั่นเขาคือสิเป็นผู้โู่ผู้ดีเนาะมื่อนี่ง่วงนอนกระทนเอาเด้อนอนมาหลายปีแล้วล่ะจนหลังแบนมืดเหรอืมหามังกรนี่กับหลังแบนคือกันละ่ะแบนโยมกับแบนยอยากเว้าความคึ้ของท่านมหาเติมไม่หยาดโยมฟังโยมกับมีความขึ้นเสียบุญเธอหลังที่เปืองเงินได้หลา ย, ายนายมันเถื่อบุญแน่ ระดับที่มหาเติมผ้าขอบครั้วเป็นเฮ็ดมื่อ น, นี่ก็พอใส่ได้บอมเนเกิดประโยชน์แค บ, บแคบแกมหาเติมเท่านั้นบอมเนเกิดประโยชน์แก่ขอบครั้วคนแม่คนน้องนองเท่านั้นบ้านเมืองก็ได้ย่อนได้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่อาตมาต้ตองทำข้อมเข้าใจก็เพราะว่ามันเป็นงานใหม่งานแรกของบา้ารรดาไห้ที่เห็ดยังสี่ เดี๋ยวบางคนกับสีโมแม่โอ้ยจักบุญจังได้บ่คือบ้านคือเมืองเอาบุญแบบพุทธเจา้าแสดงว่าตถิเหตุมา ก, ก่อนนั่นมันโมแมนบุญพุทธเจา้าตีที่มีขวดแบนขวดกลมนั่นเมื่อห น, นีดผ้าเหตบุญแบบพุทธเจา้าคันเหตบุญก็อเอาพระสวดมนต์เราก็ให้พิันกลับมาอื่นกับมาสันเขา้าถามพี่น้องในว่ามันมีประโยชน์หลายปันไดเหตซ้ำนั้นประเทศไทยว่าการเป็นคนไทยนะ่ะ หนาตาจังสีละดังบดองดอกคนไทยหลูบล่างคนไทยภาษาเบาก็คือพอเขาเวากันนี่เระภาษาคนไทยแต่ว่าวัฒนธรรมไทยในการแสดงออกแบบผู้ดีแบบไทยๆนี่มันมีเยอะเราตั้งกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนี่อยากจะให้คนไทยมีลวดลายของวัฒนธรรมไทยอยากให้คนไทยมีวัฒนธรรมของตัวเองแบบภูมิใจแบบปลื้มใจ แต่กระทรวงวัฒนธรรมยังคลำอะไรไม่ค่อยจะถูกเดี๋ยวนี้ว่าจะไปช่วยให้ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมด้านใดบ้างเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเออวัฒนธรรมไทยนั้นต้องมีสิ่งดีๆเป็นเหตุให้เขามารวมตัวกันพี่น้องก็ฝึกสวดสารพันเมื่อต้องฝึกด้วยกันก็ไปรวมกันคุ้นเคยกันเมื่อไปสวดสารพันคลุกคลีสนิทสนมกันจะได้รู้นิสัยใจคอกันเป็นวิธีการฝึกดูคนเหมือนกัน ใครใจแคบใครพูดดีใครชอบพูดน้นทาคนอื่นมันเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นประสบการณ์ชนิดหนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นบทเรียนโดยสภาพวิถีชีวิตเมื่อฝึกสวดเขาก็มีความสามคัคคีเขารักเพื่อนรักพ้องเขาก็ไปสวดสวดแล้วไม่มีเวทีจะให้เขาไปแข่งขันเอาไปอามาโอ้ยขี้ข้านฝึกมาหนี่ครึ่งปีแล้วก็บ่ได้ไปสวดมองดมาหาเติมเนินกันเลยเปิดเวทีให้ วันหนาวัฒนธรรมทองทินก็มาน้ำเดี๋ยวก็สียว่าโอ๊ยทำบุญจังได้บุญในจังมาม่เสียงเงียบเงียบห้องเออเออละมวนนี่ว่าจะมาห้องเออเอนี่มันโบเมนสารพันดอกนี่ไกลขันดอกเนี่ยนี่เดี๋ยวคนที่ตำหนิสันดอเกี่ยสิไปตำหนิขยเจ้าเด้อเสียงมวนๆของขะเจ้ามันโบเป็นถอดเป็นไพ่ยังดอกเนื้อหาที่เขาเอาว่านี่ยมันโบเมนคำด่าผู้ใดเป็นคำที่มีคติสอนใจ ข้าวกร น, นิบัติทันพ่ อ, อถึงสิบมือแล้วบนอนะอัตามามาเทศอยู่บ้านเตาไหางานทําบุญอุทิศฐ์ให้พญายิ่เขียนเทศแล้วอัตามาก็เห็นเขาสวดสารพันเมื่อ น, นั้นอัตามาก็เลยทวงไปว่าอย่าเสียเอาความมวลความเพาะของเสียงเท่า น, นั้นเดอ้อมาให้สังคมบทชกรนะให้มันดีมันซึ่งนำ้ำเช่นกอนเฮ็ดให้ค้นหัวจักค้นคาของศีลของธรรมกนเฮ็ดให้ลูกหัวจักบุญคุณพ่อแม่ พอวาสร็จอัตามาเกล้ยล่องเซมเปลิลทั้งธรรมาตเมื่อ น, นั้นเป็นเหตุทันทีล่ลงจากธรรมาตหนักสวดสารพันก็นตามลิวไปทางหลดกำลังสิขืนลดกลับอัญญาเขียนให้แน้บทสวดสารพันเกี่ยวกับให้ลูกห่วจากบุญคุณพ่อแม่เกี่ยวกับให้คนเห็นความสำคัญของศีลของถ้ำอัตามากเกลยบอกว่าอุ้ยเขียนให้เดียวนีบ่ได้ดอก อัตามาเคยฝึกเขามาหลายปีแล้วมันจือก่อนบ่อยใดต้องไปนั่งให้ใจสงบแล้วขยดย้อนหลังพิมพ์ให้ก๊อปปี้ให้อัตามาหาสิบแผน่นสาธิตทำน้องใสม่วนเทพในมวนเทพนั้นบอกว่าอัตามาเสียงบด่ดีขันยมฝึกสวดแนวใดมันสิมวนกว่าอัตามาขอให้ทุกคนสบายใจดัดแปลงใดบ่าจาเป็นต้องเอาทำนองตามอัตามาสาธิตเป็นตัวอย่าง มาหอดจะไปงานอยู่อุบลมาแหว่บัานเตาไหาถึงนี่ตีสองกลัวให้โชเฟอร์ไปปุกไม่นั่งแล้วก็ฝาไกไว้อยู่หันมวนเทพพร์เขาว่าทิฝึกท่านบ๊อมันไก่งานมือหนีแล้วมือนีอาตมามาฟังปรากฏว่าเขาติไมไอ้นักเรียนฝึกระยะกระชันชิดเสียงเปรเปเปรเปดปานเทพสิมืดฐาน <laughs> แต่ว่าขันฝึกไปดรื่นเขาก็ากสีดีดอก แต่ทำน่องเขาบดเอาตามอตาตมาสาธิตมาในมวนเทพได้เขาดัดแปลงใหม่ว่าได้สงวนดอกเสียดัดเนี่ยได้กระดัดแต่ว่าสาระสอนใจขอให้มันมีเฮาสิมาเมยสวดเท็ยนยัง้งขันสวดไปแล้วบ่มีกติสอนใจแมนบอกฉะนั้นขอให้ทุกคนพุ่มใจได้ว่าสิ่งที่เอามาสวดนั่นได้เอาธรรมะไปปรุงปรุงเป็นกอนเช่นว่าบ้านเมืองจะเจริงรุ่งต้องพดุงศาสนา ศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาสุขเจริญแหล่งใดไม่เสริมศา ส, สีลพินณธรทมห่างเหินแหล่งนั้นย่อมยับเยินสุขจำเริญบ่ห่อนมีที่โยมสวดกันวันนี้แหละแม่นี้เมื่อมีลูกหมายฝังปลูกให้ศักดิ์ศรีลูกโตได้ดิบดีตัวแม่นี้คงสุขทุกเวลาหากลูกมัวชั่วช้าสุดทนแท้แม่จะแลเห็นไหนได้บังหน้า ถึงไม่ชั่วก็เลวทั่วตัวมารดาเมื่อถึงคราโลกไม่ดีมีมนทินมีเยอะแยะแต่ตมาพูดเพียงเท่านี้ที่โยมสวดวันนี้นะแต่ขอให้ฝึกไปเพียงแต่บอกว่าท่านกำลังฝึกได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละท่านเป็นนักมวยใหม่ท่านเป็นทหารใหม่ ท่านเป็นพระบวชใหม่จะให้ครองผ้าเรียบร้อยเหมือนพระเก่ามันยังไม่ได้หรอกเนาะต้องอุญุอญะคือพระบวชใหม่เขาว่าฉะนั้นพอเฮาได้รับชีตก็ท่านหันฝึกบะท่านดีปันใดขอให้ฝึกต่อไปบทสวดอันใดที่มันมีสาระก่อ้พอแม่เป็นน้องพยายามหามาสิฟังเอาเสียงเอามวลอย่างเดียวบะใดขอให้มันมีแก่นมีศารที่เป็นวิตามินของจิตใจน้า ผู้ทองโอ้ยอันนี้ซึ้งโอ้ยกอนอันนี้ดีผู้ฟังก็โอ้ยเสียงกับมวนโอ้ยสาระก็ดีนี่เขาเอื่นว่าบอได้บอดได้เอามวนซื่ อ, อบอแม่งกินอาหารเอาแต่แสบเดืผงชุ่มรสแต่เป็นอันตรายทีนี้ท่านมาหาเติมเนี่ยท่านก็คิดดีแล้วก็ตัดสินใจเร็วท่านไม่ใช่คนรวยแต่ท่านก็ไม่กลัวเปลืองท่านก็เอาใจใหญ่เลยแหละจะเปลืองมวนเทพจะเปลืองหนังสือท่านก็พร้อมที่จะทํา แต่ตามากรัวท่านมหาเติมจะาโอ้ยทำบุญคราวนี้ต้องทุกข์ใจจะหาทุนที่ไหนก็เลยรีบส่วนว่าหนังสือผมสิหาเจ้าภาพซอยดอกเด้อก็บังเอิญก็หาก็หาง่ายไบอกสามคนก็ได้ทั้งสามคนบอมันบอกด้วยขอเด็กบ่อยเพิ่นฟังซื่อๆเพิ่นว่าโอ้ยขัดผมซอยเด้อเมื่อหนึ่งหลวงพ่อบันลั่งว่าว่าโอ้ยท่านมหาเติมเพิ่นอยากทำบุญยังสั่นยังสี่เพิน่นยันสมอนนะถ้า ง, งั้นผมช่วยหนึ่งพันคันเสียวไปหลายคนนั้นก็สิได้หลายอยู่ดอกก็เลยโบว์เนาะกำลังก็พ่อแล้ว ที่เหลือเจ้าของก็เอาน้าแน่ที่นี่ผู้เป็นแม่ได้บันินาสงสารเด้อัญญาขณายเก็บเงินมานี่หลายปีแล้วได้สำนีสานีที่เพชรบุญได้บอ๊อนี่นะตามาละ่ะสะเทือนใจบางคนเขาลุ้ยกว่าหนี้ได้แล้วเขาว่าเออสิขีเครื่องบินไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สิงคโปร์ตอนแรกกับกับมาดอกนี่นะมันเปลืองสิไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวกับไปหอดสิงคโปร์นี่นะอันไม่ไนยคาปันนี่นะเก็บเหล็กเก็บหน่อยหลูกหล้านส่งมาให้ ได้มาแล้วกับมาพิมพ์นังอยากพิมพ์หนังสือแจกอยากได้มวนเทพแจกอยากซื้ออาหารแสบๆมาให้พี่น้องได้กินคนมีน้ําใจถ้ามีพละกําลังก็เป็นประโยชน์คนมีน้ําใจถ้ามีเงินก็เป็นประโยชน์คนมีน้ําใจถ้ามีความรู้มีประสบการณ์ก็เป็นประโยชน์จะเห็นได้ว่าแม่คําปั่นนั้นไม่ใช่เศรษฐีแต่มีเงินแล้วมาเป็นประโยชน์อัตมาไป จะใช้คำมาลักดูแฟ้มมหาเติมก็ได้อาตมาเปิดดูมหาเติมบันทึกอะไรลงในนั้นบ้างก็เห็นรายการบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้วัดบ้านเตาไหเท่านี้ให้โรงเรียนท่านี้ให้บำลุงประปามมบานท่านี้โอ้ให้หลายอย่างนี่แหละเขาเรียกว่างานคราวนี้เป็นประโยชน์มากมายเอามาเล่าให้พี่น้องฟัง จะได้ชื่นใจถ้าใจเรารู้ว่าโอ้ยพูดทําเขาคิดดีโอ้ยน่าสะอ่อนสแสดงว่าใจเรานั้นเกิดกุศลลจิตเราได้บุญเห็นคนอื่นทํากรถินเราปลื้มใจด้วยเราก็ได้บุญอาตมาไม่ได้ปลอบใจโยมนะแต่พูดตามพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าวิธีได้บุญมีสิบอย่างเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบ เรียก ว, วิธีอยากจะได้บุญหลักๆสําคัญอยู่สิบประการแต่ละอย่างได้บุญทั้งนั้นในบรรดาสิบประการนั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งว่าอนุโมทนาหม่แปลว่าได้บุญโดยการชื่นชมยินดีต่อเมื่อเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นทําดีอนุโมทนาหม่ฉะนั้นเห็นใครได้ดีอย่าอิจฉาตาร้อนมันผิดหลักพระพุทธเจ้าเห็นเจ้าภาพเขาคิดดีคราวนี้ เราก็สาธุด้วยจะไปว่าโอ้ยงินเธอนีพอดีดอกบะมีเรากินบะได้เมา่ย้อนเออขันอยากเมากับผุนเด้อเงินอยู่บานของไผ่ของมันมาเอื่นก็เมา่กับขักซะแต่ว่าเฮ็ดบุญเธอนีย่าให้มันเละเถาะบะเมนบุญเละบุญเน่าบะเมนบุญบูดบุญของพุทธเจ้าบะเละบะเน่าบะบูดแต่บุญของคนที่บะนับถือพุทธเจ้ามิแต่เละมิแต่เนามีแต่บูดคนละแบบคนละพันุ์ ฉะนั้นท่านมาหาเติมกะดีคนแมฆคาปันกะดีน้องน้องกองมาหาเติมก็ะดีพี่น้องทั้งหลายที่ไดมาซอยงานโดยเฉพาะผู้มาร่วมบริจา ก, ก็ะตามลงท่านต่างๆก็ะตามย่อมมาถือแล้วไปหาปลาถือหม่องมันก็ะไดปา่าไปยิงนกหัวจักหม่องนกอยู่ก็ะไดนกตื่นแต่ดึกสิไปหาเก็บเห็ดไปถือหม่องก็ะไดเห็ดมาทั้งหลาย งานเถื่อนีผู้ใดมาผู้ใดเหนื่อยผู้ใดซอยอัตมา ถ, ถือว่าพวกเราหลายชีวิตได้ร่วมกันกระทําแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานแก่สังคมพวกเราหลายชีวิตได้มากระทํามาเหนื่อยมาสิ้นเปลืองแต่เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองผู้ใดเกิดมาแล้วใช้กําลังกายกําลังสติปัญญาและกําลังทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นคนนั้นถือว่าเป็นคนฉลาด อัตตะประหิตประโยชน์อัตต์แปลว่าตนเองประตแปล ว, ว่าคนอื่นหิตแปล ว, ว่าประโยชน์เกื้อกูลมีกำลังแล้วทำให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนอื่นได้ไหมมีความรู้แล้วเอามาทำประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมได้ไหมมีทรัพย์สินแล้วเหลือกระเพาะแล้วสามารถเอาทำประโยชน์กับตนเองกับบ้านเมืองได้ไหม ถ้าใครมีอะไรแล้วทำประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นถือว่าดีแต่แบคบคล้ายๆก็มีความเมตตาสงสารตัวเองสงสารลูกตัวเองคนอื่นจะวิบัติชิบหายก้อยช่างมันอะไรอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใจแคบอย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องโปรดตั้งคำถามตัวเองว่าทุกคนมีพรกํากำลังภรรยาลังนั้นได้ให้พ่อแม่ได้พึ่งพาอาศัยไหม หรือเอาไปเที่ยวเตรไปเที่ยวเข้าคลับเข้าบาร์เข้าคาราโอเกะแก่แล้วหมดพะละงกาลังหมดไปตั้งเยอะไม่ได้สร้างอนาคตอะไรเลยแต่พอหมดกําลังก็มานั่งทอดอะไรตกระกรรวลาบากก็บอโอ้ยมัวแต่กินมัวแต่เมาถ้าเราตั้งใจเรียนคงจะได้ยศได้ตาแหน่งฐานะดีเหมือนเพื่อนของเรารุ่นเดียวกันคนนั้นเลยมานั่งทอดอะไรอย่างมันย่อนขึ้นบ่ได้ ใครประมาทในปัจจุบันจะเสียใจต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าเตือนว่าเหมือนนกกระเรียนแก่ที่ขนปีกเหี้ยนเกรียนนกกระเรียนแก่นะนกกระเรียนแก่ทุกตัวนี่ขนปีกมันจะเหลือน้อยลงมันจะลุดขนปีกมันลุดออกทันทันนี้ทันทันยิ่งแก่ยิ่งลุดออกเอาไปเอามาเหลือแต่เหลือแต่หนังปีกกระดูปีกบ่มีใบบ่ม่บ่ไ ม, ม่โตขนปีก นกกระเรียนอย่างนี้จะบินไปหนองน้ำอื่นที่มีปลาดมสมบูรณ์ก็บินไปไม่ได้ถึงจะตั้งใจรู้ว่าหนองโน้นมีปลาเยอะก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีปีกจะบินปีกมันไม่พร้อมหลายคนได้ตกอยู่ในฐานะของนกกระเรียนขนเฮียนเกลียนไปลำบากตอนแก่พาลูกลำบากพาเมียลำบากเพราะอาดีตมวัวแต่กินมวัวแต่เมา พาตัวเองลำบากฉะนั้นถ้าไม่อยากลำบากเดี๋ยวนี้ต้องทําอะไรต้องเตรียมอะไรต้องใช้ชีวิตแบบไหนขอให้สแสวงหาคําตอบที่ชัดเจนแล้วเดินวิถีนั้นเดินหนุนทางที่เราใจตรองดีแล้วนั้นอย่าหวาดหวัน่นอย่าพรั่นพรึงอย่าโคลงเคลงอย่าเลาะแหละไม่ต้องไปหันรีหันขวางฟังคนนั้นคนนี้หรอกคนที่เราฟังยังไงก็ไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าหรอก ปักใจไว้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวฉันจเจ้าพระพุทธเจ้ามาเป็นดวงใจใครจะพูดยังไงเราจะไม่ลอยตามถ้าเขายกย่องเราจะไม่แฟบถ้าเขาเน้นทาเราแต่เราจะตั้งใจยืนอยู่ในจุดของคําว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนเป็นคุณสิ่งไหนเป็นประโยชน์เราจะทําจะพูดจะคลิปสิ่งนั้นแค่นี้พอแล้วสําหรับ หลักดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายเราฉลองถ้ามีหมอลำเขาฉลองตลอดคืนถ้ามีหนังเขาก็ฉลองตลอดคืนแต่วันนี้พวกเราไม่ได้เอาตลอดคืนดอกจะเทศแต่ค่อนข้างจะยาวบ้างเพราะเป็นความประสงค์ของเจ้าภาพ ว่าอยากจะให้คนที่มาในงานในร่างกายก็ได้อิ่มหนาสำราญนอกตัวก็ได้หนังสือได้ม้วนเทพจิตวิญญาณก็ได้สัมผัสธรรมรถคือรถของธรรมะอาตมาเป็นแม่ครัวปรุงธรรมะพยายามใช้ภาษาแบบง่ายๆให้ท่านกลืนง่ายจะเข็ดแสบเป็นตะกินโบว์ในเวาวมาในโบแมนเขาบแสบก็ บ, บจักกับสร้างมันเทออาตมาก็บเฮียนมาพ่อซัํานี ว่ามันตั้งใจใส่ภาษาง่ายๆอยากให้พ่อแม่ไปนองเข้าใจอย่าปรุงธรรมะธรรมอาหารแล้วว่าอาหารคือธรรมะแต่มันเป็นอาหารของใจจยากมันเผ็ดโพดบหรือมันเข้มโพดหรือมันจืดโพดหรือมันหวานโพดบ่อาตมาว่าพอดีอยู่แต่ว่าผู้กินนะที่บ่สถือคืออาตมาก็ได้คนต่างหลายคนเสียอาตมาปรุงถือใจเมื่อจังได้เนาะ การว่าชอบตํัมปะคงอาตมากับตัมปุคงให้ผู้หนึ่งกล่ว่าบ่ชอบดอกตํัมปะคงมักทอดไข่กันอาตมาทอดไข่มาเต็มเข่งมาแจกผู้ตํัมปุคงกล่ว่าคือพอมีตํัมปุคงแน่ขัสนอาตมาก็ต้องตัมมดถุกอย่างเปิดพระไตรปิฎกมานังอ่านอยู่แปดมือแปดขึ้นอยู่านี้มันบาไหวได้เนาะฉะนั้นก็อยิบนั่นยิบนี่มาเว้าหนังสือมองแม่ที่เจ้าภาพแจกไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจบ้างว่า คำว่ามองแม่เนี่ยอาตมาหมายถึงจิตสำนึกนะเป็นเรื่องทัศนะคืออยากจะให้มีความเห็นจากจิตใจต่อแม่อย่างไรบ้างอยากให้เห็นว่าแม่เป็นทาสใช่ไหมเป็นทาสที่น่าสงสารนั้นจริงหรือเป็นทาสจริงหรือน่าสงสารอย่างไงแม่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกเนี่อยากให้ลูกมีความเห็นอย่างนั้นทำไมจึงบอกว่าเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนยังไงและทำไมบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเราเคยมีเพื่อนคบกินเที่ยวทำไมยังบอกว่าสู้แม่ไม่ได้อัตมามีมุมมองยังไงอัตมาก็เขียนออกมาอย่างองอาจคาว่าองอาจหมายความว่าไม่กลัวผิดเพราะอัตมาไข้ครวนว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเราก็เขียนออกจากจิตจากใจไม่ได้เอาคัมภีร์มาตั้งแล้วก็เป็นแม่บท ในการเขียนสคริปต์ไม่ใช่อย่างนั้นที่ไปที่มาของหนังสือมองแม่นี่อัตมาไม่ได้นึกคณองแล้วเขียนนะแต่มันเป็นเหมือนกับเวรกรรมมันสร้างอัตมามาตั้งแต่สมัยเป็นเนนชอบมีคนมาปรึกษาปัญหาไม่รู้เป็นยังไงอย่าว่าแต่ตอนเป็นพระเลยตอนเป็นเนนคนนั้นกลุ่มเพราะพวกคนนั้นกลุ่มเพราะลูกมันเหมือนกับเราต้องได้ประสบการณ์จากคนเหล่านั้นว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาแสบแค่ไหน ตอนไปอยู่กรุงเทพชอบมีคนมาปรึกษาปัญหากลุ่มใจเยอะถ้าเขาสบายใจเขาไปบอกเพื่อนที่หลังใครทะเลาะกับป๋วใครบ้านแตกสระแรกขาดเขาแนะนำกันมาโดยเฉพาะครอบครัวของทหารของตำรวจนี่ก็จะอยู่เป็นแถวใช่ไหมถ้าเขาไปพบพระหมอดูที่ไหนแม่นๆเขาจะบอกต่อกันถ้าพระองค์ไหนแนะนำดีได้กำลังใจแล้วก็ทาให้มีชีวิตชีวาขึ้นไม่อยากฆ่าตัวตายเขาก็แนะนากัน มีอยู่ช่วงหนึ่งพอแม่พี่น้องเอ้ยเมียทหารเมียตำรวจไปหาอาตาัตมาหลายในช่วงอยู่กรุงเทพช่วงหนึ่งโมเขาทำทาเขินมาเป็นพระละมานังอ่านหนังสือพิมพ์ตาทำทากางหนังสือพิมพ์อ่านแต่หูหนั้นฟังว่าอาตาัตมาแนะนำเขาจังเลยพ่อเขาไปผลปั้บปั้นยกโปใส่อาตาัตมาพั้นยอกอาตาัตมานะสือพระวีรนิดนําสกุลแก้วแก่นเป็นคนเมืองอบุบลเมื่อหลังมาอาตามัตมาไปเป็นธบาทกลับมาโมูบัดยอก สิว่าหยอกเกินไปหรือบเกินไปก็แล้วแต่เวลาไปบินธบาตต้องปิดประตูเมนบอย่านของในห้องหายบินธบาตกลับมาไม่ไปเขียนด้วยกระดาษโปสเตอร์มีกระดาษฟางเจาะหมัดไวข้ขวงประตูกุฏินี้รับปรึกษาปัญหาแม่ไม่เปรนปะทธมาหยอกกันแบบนี้อาตมาก็ดึงออกนะวะ ทีนี้การที่เห็นพ่อแม่ทั้งหลายนี่น้ําตาตกเพราะลูกนี่นับไรไม่ถ้วนถอาตามาจะนํามาเล่าแล้วนี่พ่อแม่เพี่น้องโอ้อันนี้เคยเห็นอันนั้นเคยเห็นอนตาตมาเลยคิดว่าเทศก็เทศมากวันพระตีไหนที่ไหนก็เทศแต่อบรมแต่คนดีคือคนดีนี่ยเขาอยากเข้าวัดอยู่แล้วแต่คนที่ไปกินเหล้าเราไม่ได้อบรมคนที่ก่อปัญหาเราไม่ได้อบรมก็เลยคิดว่าเวลาเราเทศเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ พ่อแม่มาวัดก็มาฟังฟังแล้วพอลงจากธรร ม, มาทโอ้ยเมื่อนี่เบาบุญคุณนพ่อแม่นะ่ะแมนเมื่จังแม่นอยากให้ลูกได้ฟังได้อัดเทปไปบอ๊อเมื่อนี่ปุ่นนะ่ะเพิ่นได้กินของแสบเพิ่นก็คืดหอดลูกเพิน่นอัตามาภูเขาเคยมีลูกก็นึกถอดใจว่าโอ้ยจังไหนลูกเขาจึงเสีได้ฟังกันอัดเทปแจกที่จริงอัตามากับหลักแจกมาดนลนหลายเฮสแบบเงียบๆในญานโยมมาหลายก็บบ่อไอพวายน์ง า, า, านโยมเขาโหดี เจ้าของอบวิเวณคนล่าคนรวยแต่กทุกวันพระอยู่วัดผู้หินดังนี่สิในพรรษานอกพรรษาก็ตามเศ a ้าเทศกันหนึ่งแรงเทศกันหนึมัดปีมัดศาสต์ตั้งแต่ตั้งวัดมากอาเทบแจกเต่แจกแบบบรหิมันโอเวอร์มันที่เป็นการคือจังคนหลงตัวเองขบวแจกในว่งกว่างแจกกับคนที่สนิทกับหยาดยม วัดย่อมว่าตือว่าเขาคำวัดคำว่าก็ให้เขาได้ไมีแนวติดใหม่ติดมือไปเปิดไหหลูกไหหลานให้คนบานไก่เลื่อนเคี่ยงได้ฟังว่าเจ้าไปวัดใดยังก็ะใดอันอนั้นอันนี้ไปกเ็เฮ็ดไปแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยตมัมมาสะเทือนใจพอแมยบางคนเว่าไปหายสะอึกสะอื่นเว่าวโบจบคณะตมัมมาปลอบใจสักน้อยมีกำลังใจขเขาก็เว่าตอ่อโอ้ยจังแมนใครเจ้าถูก ก็ เ, เลยคิดว่าเราจะต้องเขียนเรื่องแม่สักวันหนึ่งให้ได้มองแม่คณะที่คิดมันก็ไม่ไม่ได้เขียนสักทีแต่แล้ววันหนึ่งปี2 5 3 4สโยมแม่อัตมาตายอัตมามีเพื่อนเยอะมีญาติโยมอยู่หลายจังหวัดเก็บศพไว้คิดวันหนึ่งปีและจะเผาศพก็เตรียมงานศพ แต่พอใกล้จะถึงวันงานปั๊บมีเงินทองพอสมควรก็เลยคำนึงดูว่าพิมพหนังสือมองแม่แจกนี่พอจะมีทุนไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาติดหนี้ติดสินดาวตู้เย็นดาวรถก็ยังกล้าเราทำบุญมีแม่คนเดียวจะเผาศพทั้งทีนี่ทำใจเสาะไม่ได้หรอกแม้จะติดหนี้เราก็ยอมเราก็ากมีวิธีการไม่พูดหรอกเสร็จแล้วตัดสินใจว่าพิมพแน่หนังสือมองแม่ แล้วมาเขียนอย่างฉุกละหกมีเวลาเตรียมตัวก่อนงานศพประมาณสิบห้าวันแต่ก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้การเขียนการตรวจปรุปเรียงตัวอักษรมันลำบากมันทำหนังสือยากปีสอง5ห้าสาสิบห้าคือปีแรกที่พิมพ์หนังสือวันมองแม่เนี่ยแจกในวันงานเผาศพยมแม่ของอาตมาเองจากวันนั้นก็มีการพิมพ์เรื่อยมานับครั้งนับรายไม่ถ้วน บางคนได้อ่านแล้วตามไปหอดวัดผู้หินดังอยากเห็นผู้เขียนวสันบางคนก็นกนตามไปขออาตมาว่าโอ๊ยก็แจกไปหมดละล่ะนั่นได้สิพิมพ์อีกบางคนก็นวางสี่นะฉะนั้นไม่ได้สงวนลิขสิทธตดอกที่ท่านผู้ใดพิมพ์มเผยแพ่ไปนั้นก็เป็นการอนุเคราะห์สังคมช่วยลูกหลานของพ่อแม่ที่เขาปวดหัวปวดขมับอยู่คงจะได้บุญได้กุศลเยอะก็ขอให้เจ้าภาพดีอกดีใจว่าเราได้ช่วยผู้ปกครอง ได้ช่วยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ขณะเดียวกันนอกจากเงินบริจาคการกุศลแล้วงานครั้งนี้เจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้คณะสวดสารพันได้มีเวทีมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิ่งดีๆงามๆที่เป็นวัฒนธรรมมันมีเยอะการสวดสารพันก็เป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นวันนี้งานนี้ได้เกื้อกูลต่อวัฒนธรรมของชาติ อาตมาจึงบอกว่างานคราวนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์กว้างและอยากให้พี่น้องได้ชื่นชมปลาบปลื้มด้วยกับเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ยังจะมีพิธีบังสุกุลแบบมหากุศลพวกเรามางานนีได้บุญเยอะทีนี้เราก็คิดตามหลักพระพุทธเจ้าสอนพรุ่งนี้จะอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่จะให้แต่คุณแม่คำปั่นกับลูกๆเท่านั้นตรวจน้า แพ่ส่วนบุญส่วน